เมืองใดไม่มีทหารหารเมืองนั้นไม่นานเป็นค่าเมืองใดไร้จอมภาราเมืองนั้นไม่ช้าอับจนเมืองใดไม่มีพาณิชย์เลิศเมืองนั้นย่อมเกิดขัดสนเมืองใดไร้ศิลปะโสพลเมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมสาม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 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคะ่ะคุณหมอคะวันนี้เปิดรายการด้วยเรื่องของเมืองที่มีอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเลิศด น, นะคะครบถ้วนก็ไม่สู้มีธรรมอัมภัย <c oughs> ก็เลยอยากจะขอพูดคุยกับคุณหมอถึงเรื่องประเด็นร้อน ที่อาจจะร้อนใจหลายคนหลายไฟในทุกวันนี้นะคะคเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเมืองสักนิดหนึ่งว่าคุณหมอมีความคิดเห็นเป็นยังไงคะต่อสถานการณ์ขณะนีจะ้จะตกกระแสก็โหนกระแสเข้าไปได้นหน่อยอ่อซะหน่อยนะคะครับค่ะก็ระยะหลังๆมานี่ผมเข้าใจว่าถ้าเราติดตามข่าวสานบ้านเมืองบ้างเนี่ยก็จะได้ยินคําพูดเรื่องของจริยธรรม ใช่ไหมผมมีาการพูดถึงการเมืองคริยธรรมจริยธรรมกับการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งผมเห็นว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจคือผมมองว่าการที่เรามีโอกาสได้มาภาวนามีโอกาสในการที่จะทำให้ส่งเสริมเรื่องของการปฏิบัติหรือว่าทำให้ประชาชนเนี่ยมีโอกาสด้วยมีทิศทางของชีวิต ไปในทิศทางที่มันถูกต้องหรือว่าทางที่ดีงามเนี่ยการเมืองมีส่วนสําคัญมากครับที่สุดนะเพราะว่าถ้าบ้านเมืองลุกเป็นไฟเนี่ยใครจะมานั่งภาวนาอยู่ครัโอ้ oh, แน่นอนเลยค่ะใช่ไหมฮะถ้าบ้านเมืองเข้ายากหมากแพงหรือว่ามีความทุกข์ความยากเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่ประชาชนจะไปเข้าวัดฟังธรรมตักบาตร ท, ทาบุญหรือว่าให้ทานรักษาศีเนี่ยคงเป็นไปได้น้อยลงมากค่ะทั้นถ้าเราดูสถานการณ์บ้านเมืองไปเนี้ย เราเห็ว่าช่วงนี้ยิ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยกันประคมหรือว่าเน้นย้ำไหนๆเขาก็จุดพลุเรื่องจริยธรรมขึ้นมาเนี่ยเราเราก็ต้องช่วยกันโหนกระแสจริยธรรมนี่ให้มันดังๆซะหน่อยแปลว่าเราไม่ต้องไปช่วยกันจุดพลุก็ได้แต่เราช่วยกันโหนกันแล้วเราเราโหนกระแสเราโหนกันหนักครับ ทีนผมอยากจะทําความเข้าใจกับคําว่าจริยธรรมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นคําที่เราพูดกันดาตอื่นนะฮะ <ขา S 2> แต่<ช>ว่าเฝือทีเดียวแต่ว่าความหมายที่แท้จริงเนี่ยตามพจนานิกรมฉบับราชบรรัณฑิตสถานนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะะแหมก็ไม่บอกก่อนจะได้เปิดไว้รอ <c oughs> อันนี้เอาตามความเข้าใจของผมนะฮะได้ค่ะกับ ว, ว่าจริยธรรมนี่เป็นคํารวมๆกันค่ะนะฮคือคําว่าจรหรือว่าจ ร, ระเนี่ยนะบวกกับคําว่าอริยะบวกกับคําว่าธรรม ค่ะจรก็จรหรืะจารจนเนี่ยเอางั้นน ะ, ะก็เรียกว่าเป็นทางไปค่ะอารินี่แปลว่าขั้นสึกหรือว่าความทุกข์ก็แหลค่ะยะนี่แปลว่าผลนธรรมก็คือการกระทําหรือว่าข้อประพฤติปฏิบัตินี่ค่ะงั้นถ้ารวมความคําว่าจริยธรรมเนี่ยก็คือข้อประพฤติหรือข้อปฏิบัติเป็นทางที่นําเราออกไปจากทุกข์ใช่ไหมคะค่ะ อันนี้เป็นความหมายผมเข้าใจว่าเป็นความหมายโดยแท้แต่ว่าเราจะเอาความตื้นลึกหนาบางของคำ ว, ว่าออกจากทุกเนี่ยมาใช้ในระดับไหนเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคนระับเพราะฉนั้นถ้าเราดูจากทิศทางการเมืองหรือวาทิศทางของการเป็นไปของประเทศชาติของเราเนี่ยผมมองว่ามันเป็นทางคนละทางกับจรยิยธรรมอา้าวมันเป็นทางที่นําเราไปสู่ความทุกข์ที่มากขึ้น ที่ชีน่นหน้าเนื้อออกไหมฮะไม่ได้ทําให้ทุกน้อยลงนะคะอ่ามันไม่ใช่ทางที่นําเราออกจากทุกหรือว่าทําให้ทําให้เราเป็นไปใ น, นทางที่เขาเรียกว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกเราน้อยลงค่ะแต่มันกลับเป็นการเร่งเร้าหรือว่าส่งเสริมทําให้เราหรือว่าคนประชาชนคนไทยเนี่ยทุกน่ายขึ้นหรือว่าทุกมากขึ้นฉะนั้นการเมืองนี่มีส่วนอย่างมากฉะนั้นจริงๆแล้วผมมองว่าไม่ว่าจะเป็น รัฐบาลไหนนะ่ะที่จะเข้ามาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยถ้าเราไม่เน้นตรงนี้ให้มากนี่มันเหมือนกับรถคันหนึง่งเหมือนกับบริษัทบริษัทหนึ่งที่บริหารไปแล้วมีแต่ล้มจมฮนะมีแต่ล้มจมค่ไหมะจริงๆแล้วเรียกว่าเสาหลักของบ้านเมืองเราโดยเฉพาะ เสาหลักของประเทศชาติของเราก็คือองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยค่ะท่านก็ประทานแนวทางไว้อย่างค่อนข้างชัดเจนแล้วผมก็เข้าใจว่าท่านก็นเน้นย้ํามาทุกครั้งที่ท่านได้มีโอกาสโดยเฉพาะวันเฉลิมพระชนเนี่ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงใช่ค่ะครับโดเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยเห็นว่าถ้าในโอกาสที่เราจะได้มีโอกาสเลือกตั้งกันใหม่ค่ะแล้ว ผู้คนทั้งหลายผมก็ไม่รู้ว่าใครที่จะฟังรายการวิทยุบ้างนะฮส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นคนที่เป็นคนทางธรรมาธรรมโมหน่อยนักการเมืองไปเฉลยนักการบ้านไปเฉลยเขาจะไม่ไปฟังกันนะฮะถึงแม้จะไม่ใช่นักการเมืองหรือผู้ที่มีอํานาจใหญ่โตในบ้านเมืองก็คิดซะว่าเป็นคนหมู่มากก็แล้วกันค่ะเข้าข้างเองไว้ก่อนครับก็เลยอยากจะขอเชิญขอชวนนะใครที่มีอะไรดีๆทั้งหลายหรือว่าใครที่เห็นว่า ทางของธรรมะเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเรานั่นเนี่ยต้องมาเน้นย้ําในทิศทางของภาคการเมืองในทิศทางที่จะนําพวกเราเนี่ยไปสู่ทางสุขทางสงบกันให้มากขึ้นขอขอให้ช่วยกันตรงจุดนี้ให้มากเพราะว่าอย่างที่ที่ยกตัวอย่างไว้นะครับที่พิจานะเหมือนกับบริษัทของเราเนี่ยถ้าเรียกว่าผู้นําบริษัทเนี่ยมีทิศทางของการบริหารไปอีกทางหนึ่งเนี่ย ลูกน้องก็ยากนะฮะที่จะหาความสุขความสงบได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องเน้นยอดค่ะใช่ไหมฮะเดี๋ยวต้องเน้นเป้าะนะฮทั้งทั้งที่มันจริงมันก็สามารถที่จะพอได้หยุดได้เนะี่ยแต่ก็ยังต้องเน้นอยู่ต้องท่องทำเป้าอยู่มันก็หยุดไม่เป็นก็เย็นไม่ได้ก็อย่างว่าใช่ไหมเพราะนั้นเรมองว่าผู้นําของประเทศหรือว่านโยบายของรัฐการเมืองหรือว่าทิศทางของการบริหารประเทศเนี่ยถ้าเราไม่นําเรื่องของ เศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเนี่ยผมว่ายากที่จะไปรอดะนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรากําลังดําเนินกันไปกันอยู่เนี่ยมันมีแต่ทางเสื่อมเวลมีแต่ทางเสื่อมมีแต่ทางที่นําเราไปสู่ทุกข์นั้นถ้าเราเห็นว่าทางรอดของเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยบางทีอาจจะเหมือนกับว่าสายเกินไปหรือเปล่า ใช่ไหมครับแต่ใจผมว่ามันไม่มันไม่มีอะไรสายเกินที่จะแก้นะครเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องเหมือนกับคล้ายๆว่าคนที่ป่วยมากอ่ะนะพี่ซีนาเวลารักษานี่มันต้องกินยาไม่ได้กินยาไม่ได้ต้องอาจจะต้องถึงขั้นผ่าตัดถึงขั้นอาจต้องผ่าตัดทีนี้ถ้าถึงขั้นเข้าขั้นผ่าตัดเนี่ยเออมันต้องเจ็บตัวฮะ <c oughs> มันต้องเจดตัวอีกเลี่ยงไม่ได้เลยหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะั้นถ้าเราจะหันหัวเรือกลับนะหรืออาจจะไม่ต้องถึงการกลับแต่ว่าเราไม่ได้วิ่งพุ่งตรงไปแค่ทีเดียวค่ะในอย่างน้อยเรื่องมันก็เฉียงเฉียงออกกระแสออกไปทางเน้นย้ําว่าออกไปทงางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเด่นชัดมากขึ้นแต่ไม่ต้องถึงก็เรียกว่าหันหัวเรือออกมาเลยแค่ทีเดียวนี่น ะ, ะผมมองว่าช่วงแรกเราอาจจะต้องเจ็บปวดกันหน่อยค่ะ นะครับเรื่องของการปฏิบัติธรรมเหมือนกันช่วงแรกเราอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยแต่ว่าถ้าหากเราภาวนาได้เข้าที่เข้าทางมากขึ้นเนี่ยทุกของเรามันจะลดลงหรือ ว, ว่าความสงบเย็นมันจะมากขึ้นซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องมองการไกลเพราะาเรื่องของการทำตามกระแสเรื่องของการที่เราจะส่งเสริมให้คนมีความโลภมีความ อยากมีอยากเป็นอยากได้มากขึ้นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องง่ายนะฮะเรามีแต่ให้เนี่ยทุกคนอยากจะได้อยู่แล้วเพราะนะนะนั้นลักษณะของนโยบายที่เป็นประชานิยมนี่ <c oughs> ผมว่าถ้าประชานิยมถ้าเป็นประชาชนที่มีพื้นฐานจิตที่ดีเนี่ยผมว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกับธรรมมาที่ปไตยค่ <c oughs> นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประชาที่ปไตยถ้าประชาชนยังไม่ได้รับการพัฒนา ประชาชนยังไม่ได้รับการพัตนาที่ดีนี่ประชาที่ปไตยนี่ก็อันตรายเหมือนกันค่ะนั้นบางทีก็ต้องดูยุคดูสมัยแต่ถ้าเป็นธรรมาปรปไตยนี่เรียกว่าใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยแต่ทีนี้ประเด็นก็คือผู้นําของเรารัฐบาลของเราหรือว่าตัวแทนของเราเนี่ยเขามีแนวความคิดยังไงตรงเนี้ครั บ, รบอยากจะให้พวกเราอย่างน้อยได้ชาวพี่น้องเพื่อนพื่องคนธรรมเนี่ยนะครับ ถ้าใครมีเรี่ยวมีแรงตรงจุดไหนที่จะพอช่วยกันตีกคองร้องเปล่าเรื่องของประเด็นของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องเรื่องของศีลเรื่องธรรมเรื่องจริยธรรมต่างๆเนี่ยเน้นว่าขอให้ผู้นําของเราเนี่ยเข้ามาเนี่ยมีศีลมีธรรมมีจริยธรรมเราไม่ต้องการคนเก่งนะผมมองว่าค่ะแต่เราต้องการคนดีต้องการคนมีศีลมีธรรมซึ่งตรงจุดนี้สหาที่จะพาประเทศชาติของเราเนี่ยไปรอดนะไม่ต้องรู้ค่ะ นะแต่ไปรอดนะครับซึ่งผมเห็นว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นโอกาสเป็นช่วงเวลาที่พวกเราเนี่ยน่าจะช่วยกันตะโกนดังๆค่ะไม่งั้นอย่างที่บอกไว้ในช่วงต้นนะครับว่าค่ะถ้าบ้านเมืองไม่อยู่เย็นเป็นสุขมีความเร่าร้อนกันอยู่เนี่ยใครที่ไหนจะมีโอกาสในการมาเข้าวัดฟังธรรมทำบุญให้ทารักษาศีล น, นะครับก็เลย คิดว่าเราต้องช่วยกันผลกระแสรตรงนี้ค่ะนะครับตะโกนดังๆเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของการมีจริยธรรมเรื่องของการมีศีลมีธรรมนี่ให้มากนีประเทศไทยนี้ไม่ได้ยากจนขนาดที่เรียกว่าเราต้องขายประเทศหรือว่าเราต้องให้ต่างชาติเข้ามาหรอกครับผมมองว่าขับรถมาตลอดทางนี่เราจะเห็นว่าพื้นที่ท้องทุ่งนาของเรายังมีพื้นที่ว่างเปล่าอีกตั้งเยอะแยะเนี่ย แต่สิ่งที่มันขาดไปมันคืออะไรสิ่งที่มันขาดไปมันคือขาดต้นไม้ใช่ไหมฮะขาดต้นไม้ตอนมันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่มีน้ําเมื่อมันไม่มีน้ำคนก็อยู่ไม่ได้ใช่มหมฮะคนก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องเข้าเมืองหาเงินดั้งการที่เราเร่งร้าเอาเงินเป็นตัวหลักเอาเงินเป็นเป้าเอาความสําเร็จจากการที่เรามีเงินมีทองมีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นเป้านี่ ผมถือว่าเป็นทางหายนะค่ะงถ้าเราช่วยกันติดเบรกซะหน่อยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการเนียมาช่วยกันปลูกต้นไม้ผมมีความปรารถนาลึกๆไม่รู้ว่าจะฝันในชาตินี้ที่มีชีวิตอยู่เนี่จะเป็นจริงได้หรือเปล่าในเรื่องขยายสิ่งนี้ผมมองว่าประเทศรัฐบาลในฝันของผมเนี่ยนะะค่ะมีการประกาศเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติค่ะ อันที่สองคือประกาศการปลูกต้นไม้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ประกาศที่สามคือว่าประกาศเรื่องของการมีสีหน้าเป็นวาระแห่งชาติคิดว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมฮะในช่วงชีวิตนี้ของเราถ้าเรามีประเด็นตรงจุดนี้เข้ามาเนี่ยผมมองว่าการแก้ไขปัญหาระยะยาวของประเทศชาติของเราเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างนึกภาพก็พอจะเห็นความสําเร็จได้ค่ะ แต่ถ้าเป็ น, ปนไปในทิศทางที่เป็นปัจจุบันนี้เนี่ยนึกภาพยังไงก็นึกไม่ออกว่ามันจะมันสวนกระแสกั น, นเลยนะคะมันจะไปตรงจุดนั้นได้ยังไงถ้าเราไม่พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงเราพูดถึงเรื่องของมีแต่รายได้ที่มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคนก็เป็นหนี้มากขึ้นะนะครับระเบียบวินัยของคนแย่ลงะนะฮะอย่างประเด็นอย่างเช่นเรื่องของในฐานะที่เป็นหมอเนี่ยนะรเรื่องของโครงการสามสิบบาท รแรกก็รักษาทุกโรคแต่ปัจจุบันนี้เขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นว่าสามสิบาทช่วยให้คนไทยหายจากโรคหรือว่าป้องกันโรคในเชิงนั้นนะฮะก็มองว่าจริงๆว่าเป็นโครงการที่ดีไหมจริงๆก็ดีอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนที่มันเป็นอันตรายที่บางทีเราไม่ค่อยได้คิดกันก็คือเรื่องของวินัยของคนค่ะยังไงคะาการที่คนเราเสียวินยัยเรื่องของการดูแลสุขภาพไปเนี่ยผมมองว่ามันประเมินมูลค่าไม่ได้ แต่วินัยของการดูแลสุขภาพเนี่ยวินัยของคนในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยในแง่ของการอดทนอดกลั้นในแง่ของความล่มสลายไปของการแทย์เขาเรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยไปสามสิบบาทอย่างงั้นใช่ไหมคะฮะใช่ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะล่มสลายโดยโดยสิ้นเชิงครับผมมองว่าอย่างเพราะ<ข>ว่าเราเข้าถึงอะไรมันงา่ายไปหมด เนะพราะเสียแค่สามสิบาทบรรง่ายไปใช่ไหมปนะีลันตันแพงมเมาเหล้าตกบันไดอ <c oughs> ะ้วเป็นอะไรไปก็สามสิบบาทนะฮะ <c oughs> นั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเนี่ยหรือว่าการรักษาแพทย์แถนไทยโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยพวกนี้ก็จะล่มสหลายไปซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นมูลค่าที่เราประเมินไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมฮะนั้นถ้าเราไม่ประกาศนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงเราก็จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ได้นะครับ เรื่องของการปลูกต้นไม้เนี่ยผมมองว่าอีกกี่ปีกี่ชาติถ้าเราไม่มีต้นไม้เนี่ยเราจะวางเงินอีกไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนล้านก็แก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งไม่ได้ค่ะแล้วผมระหวัดเสียจริงๆแล้วในช่วงชีวิตนี้ของเราเนี่ยอาจจะได้เห็นประเทศไทยบางส่วนของประเทศไทยเป็นทะเลทรายก็ได้นะพิจิณณจะโชคร้ายขนาดนั้นเลยหรือคะไม่แน่นะคะไม่แน่ แว่าคอยอย่าได้เป็นจริงเลยถ้ามันเป็นไปได้มันจะมีทางออกอยู่ <c oughs> ทางเดียวคือ <c oughs> ประกาศเป็นนโยบายหรือว่าบาระแห่งชาติเรื่องของการ <c oughs> ปลูกต้นไม้เรื่องของการปลูกป่าถ้าเราทําทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับตอนที่เราทํากับยาเสพติดเนี่ย <c oughs> ผมมองว่าทําไมเราจะทําไม่ได้ใช่ไหมฮะเราใช้เวลาแค่ยี่สบสาสิบปีในช่วงชีวิตนี้ของเราเราก็เห็นประเทศไทยเนี่ยมีความชุ่มเย็น มีน้ำอุดมสมบูรณ์ได้เพียงพอแน่ๆในช่วงระยะช่วงชีวิตของเราเนี่ย 23, ยี่สิบสามสิบปีใช่ไหมฮะทําไมเราจึงไม่ทําใช่ไหมรัฐบาลไหนถ้าไม่ทํานะผมว่ามันก็ไปไม่รอดผมผมไม่ได้ว่ารัฐบาล น, นี้หรือว่ารัฐบาลไหนๆถ้าเข้ามาแล้วไม่สารต่อนโยบายเหล่านี้รู้ไม่ทําอย่างจริงจังเนี่ยผมว่ามันก็รอดยากชิ้นทำถ้าไม่กลับมา ใช่ไอย่างพี่สิรินาทที่กล่าวนาในตอนต้นรายการนะคะพระบาทสเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ว่าเมืองใดไร้ธรรมอับไปเมืองนั้นบรรลัยแน่นอนเป็นคําบูลที่น่ากลัวนะคะเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้าเราไม่นําธรรมะเข้ามาปกครองหรือว่าไม่นําเข้ามาทําให้เป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นเครื่องชี้นาในการดําเนินชีวิตของผู้คนเนี่ยผมว่า เราพัฒนาไปก็สู่ความร่างเปล่าเท่านะอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นอยู่อย่างที่เราเคยคุยกันวันวันนึงมีคนค่าตัวตายถึงวันละเป็นร้อยคนซึ่งมันหมายความว่าอะไรกันเราคงจะไม่ฉลาดน้อยขนาดเดินไปสู่จุดนั้นใช่ไหมคะผมว่ามีตัวอย่างอยู่อยู่แล้วใช่มคะทไมเราไม่ศึกษาแล้วทาไมเราไม่ย้อนดูเราพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าไปเพื่ออะไระเรามีเศรษฐฐานะ ที่มากเกินไปเรียกว่าเกินความเป็นจริงไปเพื่ออะไรค่ะใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ของผู้คนเนี่ยผมมองว่าการที่เรามีเงินเยอะๆไม่ได้หมายความว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเสมอไปค่ะบางทีการดิ้นรนขวนขว่าให้มีเงินเยอะๆนั่นเนะ่ะกลับเป็นทุกข์ซึ่งยิ่งทำให้คุณภาพชีวิตเนี่ยยิ่งเลวลงไปอีกผมเห็นมามากเลยฮนะพี่สินหน้าผมตรวจ คนไข้ที่เป็นประกันสังคมก็คือเป็นหนุ่มโรงงานสาวโรงงานนี่ยนะเขาทํางนานกันเพื่อต้องการได้เงินเนี่ยนะที่สินแนนเขาควงกากันฮะควงกากันเดือนหนึ่งนี่ผมว่าอาจจะสิบกว่าวันยี่สิบกว่าวันได้ไหมเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะนอนกันเ อ, อไม่ถึงสี่ห้าชั่วโมงแล้วที่เหลือของเขาชีวิตของเขาทั้งหมดอยู่ที่โรงงานสภาพที่เขามาหาเรานี่คือสภาพของการเป็นโรคฮะ ความเครียดทั้งกายความเครียดทั้ง จ, จิตใจโรคภัยที่เกิดจากการที่เขาต้องโหมงานหนักซึ่งถ้าอยู่อย่างนี้ต่อไปจนกระทั่งว่าเรียกว่า เ, าเต็มที่ของเขาเนี่ยนะเขาก็ต้องลาออกจากงานเพราะเขาทำไม่ไหวพร้อมกับสภาพร่างกายที่เรียกว่าอาจจะอโอมโรคไว้เต็มที่อะนะซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยผมมองว่าเขามีเงินอยู่แต่คุณภาพชีวิตเขาแย่มากนี่ มันไม่คงไม่คุ้มกันแล้วอาจจะต้องใช้เงินที่หามาได้เพื่ อ, อรักษาซ่อแซมร่างกายนะคะครับค่ะเพราะฉะคุณภาพชีวิตของคนเนี่ยผมคิดว่าแน่นอนว่าปัจจัยสี่นี่เป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าเรากำลังหากันหรือว่าเรากำลังยักยียดหรือว่าปลูกฝังแนวความคิดของคุณภาพชีวิตเนี่ยเพินไปค่ะนะเรามองปัจจัยสี่เนี่ยเหมือนกับเป็นเป้าหมายเหมือนกัเป็นสิ่งที่ สูงสุดที่ทุกคนต้องไปถึงคือเร า, เราไ ป, ไปมองมว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยอยู่ที่การมีสิ่งเสพบริโภคครบครันครับไม่ได้มองถึงว่าคุณค่าภายในจิตใจรหรือกา ร, รที่มีร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมจริงๆนะคะ